ชาวราชพัฒ์ทั้งปวงที่ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตาธรรมที่เราเรียกกันว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดการอุปสมบทพระภิกษุ999รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเลือกเอาวันที่ส4บสี่กุมภาพันธ์อันเป็นวันที่ได้รับพระราชทานนามราชพัฏซึ่งเป็นสิริมงคลนำพวกเราทุกรูปเข้าสู่พระบวรพุทธศาสนาเพราะถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ อุปสมบท999รูปเป็นจํานวนไม่ใช่น้อยและการบรรพชาการบวชนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะทำให้แก่ผู้ที่เรามีความจงรักภักดีอย่างยิ่งมีคำพังเพยแต่โบราณว่า ยากอะไรไม่เท่าปฏิสังขรนถอนอะไรไม่เท่ากับถอนมานะละอะไรไม่ยากเท่ากัละกามคุณบุญอะไรทำไม่ยากเท่ากับบุญบันพชาบุญที่ท่านทำเนี่ยทได้ยากบุญอะไรทำไม่ยากเท่ากับบุญบันพชา หาอะไรไม่ยากเท่ากับหาตนจนอะไรแก้ไม่ยากเท่ากับจนปัญญาที่ว่าบุญบรรพชาทำได้ยากก็เพราะว่ากว่าจะได้บวชได้อุปสมบทต้องมีองค์ประกอบพร้อม การจะลาพร้อมกัน999รูปในฐานะข้าราชการราชพัฒไม่ใช่ทําได้ง่ายถ้าไม่ใช่โอกาสพิเศษระดับอธิการบดีจะได้ลามาบวชบวชแล้วเป็นอธิการเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาและถ้าเขาไม่ให้ลาท่านก็บวชไม่ได้ เพราะในคำขอบวชสอบถามอันตรายยิกธรรมสัมภาษณ์ก่อนบวชเป็นภาษาบาลีเนี่ยเช่นคำว่ามนุษย์โศ ส, สิท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราก็ตอบถูกมาแล้วจึงได้บวชและท่านทั้งหลายก็จะได้พบคำคาหนึ่งเป็นคำเก่าในคำขอบวช ก็คือคำว่าราชพัทในภาษาบาลีโดยพระคู่สวดถามว่าณสิราชพโตท่านไม่ใช่ราชพัทหรือถ้าเราตอบว่าเป็นราชพัทเขาก็ไล่ออกจากโบทถ์ไม่ให้โบวถ์เป็นคำเก่าเก่ามากๆ อยู่ในคำขอบวชว่าราชพัฒ์เนี่ยาชพะโตก็คือคนของพระราชาจากที่ท่านใช้นี่แหละคนของแผ่นดินเป็นข้าราชการและได้รับอนุญาตมาบวชหรืออย่างไม่ใช่หนีราชาการมาบวชอุปชาไม่บวชให้ เพราะฉะนั้นการที่เราได้บวชแสดงว่าเราได้รับอนุญาตพร้อมกันเป็นจำนวนมากในโอกาสพิเศษอย่างนี้จึงเป็นมหากุศลเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของปรวติศาสตร์ราชภัฒซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏท่านมีมติพร้อมกันเราบวชเพื่อที่จะ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชจกุสรและในขณะเดียวกันก็ศึกษาพระราชเจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ ด, ดราชรัชกาลที่เก้าเพื่อถอดเป็นแบบเรียนให้สิทธิยานุสิตผู้บริหารครูบาอาจารย์ของราชพัฒได้ตามรอยพยุคลบัต นำมาเป็นบทเรียนมาศึกษาตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่ว่ายาตานุยายีเดินตามรอยคนดีที่ท่านเดินมาแล้วการที่จะเดินตามรอยพระองค์ท่านให้รีบกระทำให้รีบศึกษา เพราะยิ่งเวลาล่วงไปเนี่ยในประวัติศาสตร์นอกจากเอกสารหลักฐานจะสูญหายบุคคลที่เกี่ยวข้องจะล่วงลับดับไปแล้วจนเราไม่สามารถทำ KM knowledge management เกี่ยวกับพระองค์ท่านโดยเข้าถึงข้อมูลปฐมภูมิอย่างที่เราโชคดี ได้เกิดมาทันเห็นพระองค์เนี่ยเด็กที่เกิดหลังจากนี้จะได้ยินแต่ตำนานเล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านตำนานเล่าขานของบุคคลระดับโลกซึ่งเราเรียกว่าเป็นมหาบุรุษของโลกเนี่ยยิ่งผ่านเวลาไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่างจากคน ธรรมดาที่ล่วงลับดับไปคนธรรมดาที่ล่วงลับดับไปนี่ไม่ทันถึงปีนะบางทีญาติญาติลืมไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นมหาบุรุษของโลกเนี่ยนอกจากไม่ลืมแล้วเนะี่ยยิ่งจะเด่นสูงตรง n g k มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าล่วงลับคือสเสด็จสวรรคตคเนี่ยความยิ่งใหญ่ยิ่งเพิ่มขึ้นเราเราเห็นเลยเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่เราไม่เคยได้รู้วิดีทัศน์ที่เขาเก็บเอาไว้ไม่เคยเผยแผ่เดี๋ยวนี้ออกมาเยอะเลย พระองค์ได้ทำอะไรไว้นี่หลายคนทราบซึ่งกันตอนนี้เพราะไม่เคยได้เห็นหรือไม่มีเวลาได้ดูภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นบุคคลยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจึงเปรียบเหมือนภูเขาเหมือนขุนเขาภูเขายิ่งใหญ่ ท่านเคยสังเกตไหมเวลาเราอยู่ที่เชิงเขาเนี่ยมองมันก็สูงแค่นี้แหละเดินเขาเนี่ยแต่พอเราปั่นจั ก, กรยานหนีห่างออกมาหรือขับรถหนีห่างจากภูเขาออกมาห้านาทีสิบนาทีแล้วมองกลับไปภูเขายิ่งสูงขึ้นเรื่อยเลยและเหมือนมันจะตามเรามาอีก เพราะฉะนั้นภูเขาเนี่ยยิ่งเราออกห่างยิ่งดูสูงบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยยิ่งการเวลาห่างจากตัวบุคคลนั้นที่ล่วงลับไป เ, เรื่องราวความยิ่งใหญ่ยิ่งเพิ่มขึ้นดูยิ่งใหญ่กว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะมันจะมีเรื่องเล่ามีตำนานมีอะไรอะไรเพิ่มเข้าไปอีกเราอยู่ในวงการศึกษาลองสังเกตดูพระพุทธเจ้าสำหรับบุคคลร่วมสมัยอาจจะยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งแต่ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่ยิ่งใหญ่กว่ายุคที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ บางแห่งบางประเทศนี่พระผู้เเจ้านี่คือกอสเลยนะคือพระเจ้าในมหา ย, ยานนะ่ะพระผู้เเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้าคือน้องน้องพระพรหมเลยนะยังอยู่ในในพุทธเกษตรนะสวรรค์สุขขาวดีหรือทิศไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธประวัติต้องแยกระหว่างสิ่งที่เป็นตำนานเพิ่มเติมกับบุคคลตัวตนในประวัติศาสตร์สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชเชรยานวโรรสทรงเนตไว้ในพุทธประวัติหนังสือพุทธประวัติที่ส่งพระนิพนธ์ว่าเวลาศึกษาพุทธประวัติเนี่ยต้องทาเหมือนปอก ปอกเปลือกมังคุดเราจะทานเนื้อเราต้องเอาเปลือกออกเรื่องเล่าอภินิหารหลายๆอย่างแกออกเอาธรรมะนี่นี่พูดไว้เพื่อให้เราตระหนักว่าในฐานะที่เราอยู่ในสถาบันการศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลใดก็ตามความยิ่งใหญ่ใดๆก็ตามเนี่ย เนื้อหาในเชิงวิชาการในเชิงประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญงานวิจัยต้องรองรับตรงนั้นเพื่อเป็นฐานให้คนนี่เดินตามได้คนรุ่นหลังเดินตามได้ถ้ายกกันเป็นเหมือนหนึ่งเทพคนจะไม่กล้าเดินตาม มนุษย์เดินดินที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์เหมือนพวกเราแล้วทำไมยิ่งใหญ่ได้อันนี้น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรศึกษาความยิ่งใหญ่ของรัชการที่เก้านี่เราจะเห็นชัดพอเสด็จสวรรคตในวันที่สิบสามตุลาถัดมา วันที่28ตุลาคม2559องค์การสหประชาชาติจัดประชุมวาระพิเศษกว่าครึ่งชั่วโมงประกาศยกย่องสดูดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของไทยไม่เคยมีนะคนคนไหนในโลก ในประเทศไทยเราที่จะได้รับเกียรติอันสูงส่งจากองค์กรระดับโลกอย่างนี้นี่เริ่มเป็นตำนานละผู้นำทั่วโลกตั้งแต่เลขาธิการสาร้างประชาชาติประกาศสุรุดีพระองค์เป็นมหาบุรุษโดยประกาศในตอนหนึ่งบอกว่าการสูญเสียพระองค์ท่านมิใช่เป็นความสูญเสีย สำหรับพระสงฆนิกรชาวไทยเท่านั้นแต่เป็น the, the loss of the world เป็นความสูญเสียของชาวโลกทำไมการสูญเสียพระองค์จึงเป็นการสูญเสียของชาวโลกนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ล, ละเราจะต้องศึกษากันทำไมพระองค์จึงเป็นมหาบุรุษของโลกมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่มีคนกล่าวว่า การจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านต้องมีสองสิ่งนโปเลียนมหาราชพูดไว้หนึ่งมีศัตรูที่กล้าแข็งที่สุดเอาชนะให้ได้แล้วท่านยิ่งใหญ่มันจะต้องมีคู่แข่งและคู่แข่งกล้าแข็งจึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างอาเล็กซานเดอร์มหาราชยิ่งใหญ่ ลบจากกรีกจนมาถึงอินเดียนโปเลียนมหาราชยิ่งใหญ่ลบเอาชนะในยุโรปเกือบหมดราชการที่ห้ ย, ยิ่งใหญ่ต้านอำนาจจากกักรวรรดิต้านอำนาจประเทศล่าอาณานิคมยันไว้ได้ยิ่งใหญ่ ถามว่ารัชการที่9้ายิ่งใหญ่ไม่แพ้เป็นมหาราชทรงเอาชนะอะไรข้อมูลในปฎิสตร์คืออะไรเดี๋ยวจะค่อยๆเฉลยหนึ่งมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีศัตรูที่กล้าแข็งเอาชนะให้ได้ไม่ว่าใครก็ตามขึ้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่สองท่านจะทำได้ท่านจะต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุด ในหลวงมีพระสงฆนิกรทุกระดับพร้อมที่จะสนองพระราชดำริของพระองค์ราชาพัช์ทั้งหมดประกาศตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่คือคนของพระราชาผู้ที่กล่าวสองข้อคือนโปเลียนมหาราชหลวงวิจิตวาทาการเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่ง ปสโลบายสร้างความยิ่งใหญ่สรุปหนังสือทั้งเล่มด้วยประโยคนี้การจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายนิดเดียวคือเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้นใครอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเห็นแก่ตัวให้น้อยลง เราเห็นแก่ตัวให้หน้อยลงแล้วเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ไหมไม่ได้เพราะท่านจะต้องมีองค์ประกอบที่ทำให้เป็นมหาบุรุษของโลกผู้ยิ่งใหญ่อยู่3ามเรื่องหนึ่งท่านต้องมีอำนาจมีอำนาจที่ไหนแล้วท่านมีองค์ประกอบไปถึท่านยิ่งใหญ่ที่นั่นมีอำนาจในบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อมตะ นอกจากมีอํานาจแล้วท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถท่านจะยิ่งใหญ่ในราชพัฒของท่านยิ่งใหญ่ในองค์กรของท่านในประเทศของท่านหนึ่งมีอํานาจไม่จําเป็นจะต้องมีอํานาจสูงสุดนะอานาจมันมีหลายแบบเดี๋ยวจะพูดให้ดูสองมีความรู้มีความสามารถและสามมีน้ําใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นเรามาดูแต่ละข้อคำว่าอำนาจนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าวโสอิสรยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกมาจากสองแหล่งด้วยกันหนึ่งอำนาจตามตำแหน่ง position power หรือที่เราเรียกกันว่าพระเดช 2. อ, อำนาจส่วนบุคคลที่เราเรียกกันว่าพระคุณ personal power บารมีส่วนตนคือธรรมะพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่9มีอำนาจมาจากสองแหล่งคือ 1. อำนาจตามกฎหมายเรียกว่าราชอานาจ 2. ออำนาจเกิดจากการยอมรับของคนทั้งประเทศและคนทั่วโลก จะเคลื่อนไหวจะทำอะไรนี่คนพร้อมสนองหมดที่เราพูดกันเป็นทํานองว่าแค่ผีเสื้อขยับปีกมันก็สะเทือนไปถึงดวงดาวแค่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้ามีพระราชำดำรัสเรื่องอะไรนี่เรื่องแก้มลิงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันก็เทือนไปทั่วโลกรับรู้กันไปหมด ระดับพวกเราเนี่ถ้าพูดเรื่องเดียวกันคอแหบคอแงยังไม่มีใครฟังเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยพระองค์ท่านนี่แหละสื่อสารที่เกี่ยวที่พระองค์ท่านจะประสงค์นี่แหละเราช่วยกันศึกษาขยายวิจัยทําอะไรออกไปเพราะฉะนั้นคนเราจะมีอํานาจบางทีอํานาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มากหรอก เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนควีนของอังกฤษแต่ความยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลเพราะพระบรารมีส่วนพระองค์คือเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีน้ำใจเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมตามรอยแห่งธรรมะคือศึกษาว่าพระองค์ดารงพระชนชีพอย่างไร มีพระราชจริยวัตรอย่างไรจึงทำได้อย่างที่ได้ทำมาและเป็นความสำเร็จมากมายมหาศาลเรามักจะเข้าใจว่าเป็นพระราชาเนี่ยอยู่บนหอคอยงาช้างเหมือนกับเทพนิยายเินเดรเลน่าพระราชาในความหมายโบราณเราเรียกกันว่าเทวราชาเป็นพระราชา โดยเทวสิทธิดีไวไรท์ไม่มีการทักท้วงไม่มีการท้าทายโดยสัน ต, ติวงศ์เพราะฉะนั้นกษัตริ์ตามคติโบราณตามคติของอินเดียของจีนของยุโรปกษัตริ์เป็นเทพในอินเดียนั้นกษัตริ์เป็นอวตารของพระวิษณุหรือพระศิวะ เราไปที่ขอมก่อนตั้งกรุงสุขโขทัยเห็นคนครวัดคนครธมในกะเหมนประสาทที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นที่สถิตของเทพเจ้าและผู้ที่สื่อสารกับเทพเจ้าคือกษัตริย์ขอมและกษัตริย์ขอมนั้นเป็นอวตารของพระศิวะหรือพระวิษณุเราเรียกว่ารัฐิเทวราชา เมื่อตั้งกรุงสุขโขทยัยเราไม่เอาลทัทธิเทวราชาของขอมของฮินดูมาพ่อขุนศรีอินทราธิตก็ดีพ่อขุนรามคำแหงก็ตามเป็นธรรมราชาธรรมราชาตรงกันข้ามกับเทวราชาเทวราชาเป็นเทวสิทธเป็นดีว ร, รเป็นเทพลงมาปกครองมนุษย์ ไม่มีการท้าทายอำนาจแต่ธรรมราชาคือมนุษย์ปกครองมนุษย์เพื่อมนุษย์และมนุษย์ทำไมได้ปกครองมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นต้องเป็นคนดีถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนคนดีเขาก็ไม่ยกย่องให้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพระราชาในความหมายของกรุงสุขโขทัยก็ดี เอามาจากพระพุทธศาสนาไม่ใช่จากฮินดูในพุทธ น, นั้นมีพระสูตรที่ว่าด้วยกำเนิดแห่งวัณนนะกษัตริย์คือพระราชาไม่ใช่มาจากแขนของพระพรหมไม่ใช่ออกมาจากแขนพระพรหมแล้วก็มามีอำนาจในการปกครองในอักขัญยาสูตรเทียบได้กับ The b บุ๊ก f อ e เจน i ซิสในศาสนาคริสต์ว่าด้วยกำเนิดของโลก ว่าด้วยกำเนิดของชนชั้นปกครองพระพุทธเจ้าสรุปว่าผู้เป็นกษัตริย์ก็ดีผู้ที่เป็นผู้ปกครองก็ตามมาจากได้รับการยกย่องได้รับการคัดเลือกให้เป็นใหญ่โดยประชาชนเรียกกันว่ามหาชนะส ม, มตุติหรือมหาส ม, มุติราชเพราะเป็นผู้ที่มหาชนสมมุติให้เป็นใหญ่จึงเรียกพระราชาว่า มหาสมมติราชและเป็นพระโพธิสัตว์อาสามาปกครองบ้านเมืองด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ยิ่งใหญ่นั้นมาจากประชาชนยอมรับและไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินตำแหน่งอะไรก็ได้ถ้าคนเขายอมรับให้เป็นใหญ่เราเรียกมหาสมมติเพราะฉะนั้นในการ ที่รัชการที่สิบเสด็จขึ้นครองราชประธานรัฐสภาทูลเชิญเนี่ยประธานรัฐสภาพือผู้แทนบวงชนชาวไทยทูลเชิญให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่คือคติของเราเมื่อยกย่องให้เป็นใหญ่ฉะนั้นในส้อยนามของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยกตัวอย่างรัชการที่ห้า สร้อยพระประมาภิไทยของพระองค์เนี่ยลองดูสิพระบาทสมเด็จพระปรเินทรมหาจุราลงกรบดินทรเทพพิยมหามงกุฎบุรุษ ร, รัตนะรา ช, ชลวีวงศ์เป็นต้นเนียจนมาถึงตรงกลๆเนี่ยสัพพวิเศษสิรินธร อ, อเนกชนนิกรสมุทรสมุดรัชกาลที่ห้านี่เป็นอเนกชนนิกรคือปวงชนประชุมกันสมุทรสมมุติให้เป็น สมุติเทพเป็นสมุติเทพคือผู้ปกครองแผ่นดินและประมินทรธรรมิกามหาราชาธิราชปกครองโดยธรรมปกครองโดยธรรมเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจก็คือคำว่าขัตติยะกษัตริย์แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ในที่นาเป็นเจ้าแผ่นดินเรียกว่ากษัตริย์ และเป็นพระราชาคำว่าราชาหมายถึงทำเมนะประเรรันเชตีติราชาได้ชื่อว่าราชาเพราะเป็นผู้ทำให้คนเหล่าอื่นใต้ปกครองเกิดความพึงพอใจโดยธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครมาเป็นใหญ่แล้วอยู่เฉยเฉยก็เป็นใหญ่ได้เมื่อเขาสมมุติให้มาเป็นผู้ปกครอง ให้มาเป็นผู้นําองค์กรท่านจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองหรือที่เขาให้ท่านเขายกย่องท่านขึ้นมาเป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับการยกย่องเราเรียกว่าราชาราชาโดยรากศัพท์รัญเชติแปลว่าผู้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองและความพึงพอใจนั้น ทำเมนะโดยทรรมไม่ใช่ว่าท่านเป็นใหญ่โดยสิทธิโดยสายเลือดไม่ท่านจะต้องสร้างความพึงพอใจโดย ร, รมเพราะฉะนั้นธรรมราชาจึงมีสองความหมายหนึ่งธรรมมิกราชแปลว่าผู้ประพฤติธรรมเช่นทศพิตรราชาธรรมจกักรวรดิวัตสอง ธรราชาหมายถึงธรรมาทิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่อำนาจเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่คือใชราชธรรมกำกับราชอำนาจถ้าลองนึกในสมัยสมบูรณาสิยาสิทธิราชเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินสั่งประหารชีวิตคนได้แต่การจะประหารชีวิตไม่ได้ทำตามอาเภอใจทรงทำรรโดยเอาหลักกฎหมาย ที่เราเรียกกันว่าคำภีพระธรรมศาสตร์เป็นตัวตั้งตัดสินวินิจฉัยอะไรก็ตามโดยธรรมะกำกับการใช้ราชอํานาจสมัยนี้ถ้าใครก็ตามได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินถ่ายโอนพระราชอํานาจมาสามสถาบันบริหารนิติบัญญัติตุลาการแต่ถ้าไม่ถ่ายโอนราชธรรมมาก็ใช้อำนาจเป็นธรรมอำนาจเป็นใหญ่ แล้วจะสร้างความพึงพอใจกับคนที่อยู่ในปกครองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นราชธรรมธรรมะจะต้องถ่ายโอนมาเพื่อกำกับการใช้อำนาจที่เราถ่ายโอนมาในปี2475บ้านเมืองมันจึงจะสงบสุขไม่ใช่แย่งอาหารกันกินแย่งถินกันอยู่แย่งคู่กันพิสวรรัดแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ แล้วบ้านเมืองมันจะสงบสุขได้อย่างไรฉะนั้นเราต้องดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวก็คือใช้อำนาจอย่างถูกต้องเป็นธรรมราชาหนึ่งพระราชาผู้ทรงธรรมสองพระราชาผู้เอาธรรมะเป็นใหญ่เหนือกิเลสตัณหาของตอนเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะปกครองโดยธรรม ถามว่ามีความรู้มีความสามารถไหมบางคนเนี่ยได้อำนาจมาเป็นใหญ่แต่ฝีมือไม่ถึงฝีมือไม่ถึงเพราะฉะนั้นลูกน้องจึงดินทานะนะเขาพูดอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าสัญชาติลิงยิ่งปีนสูงขึ้นไปเท่าไหร่ คนก็รู้ว่าเป็นลิงมากขึ้นเท่านั้นตอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้ว่าเสือหรือแมวหรือหมีคนไม่รู้พอให้เปีนยอดมาพร้าวมันอยู่ไม่สุขลิงจริงๆคนบางคนตอนอยู่ตำแหน่งเล็กๆไม่ได้เรื่องใดแล้วเนี่ยคนไม่สังเกตรหรอกแต่พอเขาให้ไตส่สูงขึ้นสูงขึ้นลูกน้องนินทาโง่แล้วยังขยันอีก ไม่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งฉะนั้นอดีตรัฐบุรุษของไทยท่านหนึ่งปรีดีพนมยงค์ให้สัมภาษณ์หนังสือนิตยสารเอเชียวิก e e ที่กรุงปารีสก่อนถึงแกอ่อสัญญกรรมไม่นานความตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าอย่างนี้ คนเราเนี่ยเมื่อมีอํานาจก็มักจะขาดความรู้และประสบการณ์ตอนมีอํานาจความรู้ประสบการณ์ไม่ถึงเลยบริหารได้ไม่ได้เรื่องอยู่มาอยู่มามีความรู้มีประสบการณ์มา ก, กเกษียณพอดีขาดความรู้ไอ้มีความรู้มีประสบการณ์ ก็มักจะหมดอำนาจเสียแล้วเป็นการยากที่จะหานะไอ้สิ่งที่มันแมทช์เข้าด้วยกันเนี่ยตอนอยู่ในอำนาจลูกน้องหลอกไม่ได้ใครเสนอเซนไม่เซนง่ายๆสามารถวินิจฉัยสั่งการได้มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหนง่งถ้าได้อย่างนี้เยี่ยม แต่บางคนกว่าจะมีความรู้มีความสามารถตามทันตำแหน่งเขาโค่นไปแล้วเพราะบริหารไม่ได้เรื่องฉะนั้นต้องพยายามสะสมความรู้ความสามารถประสบการณ์เอาไว้บางคนเนี่ยคิดแต่จะหาตำแหน่งรอว่าเมื่อไหร่ตำแหน่งราชลดมาเกยไม่ได้ส่อหาความรู้ประสบการณ์ คงจื้อจึงเตือนว่าอย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องท่านเลื่อนตำแหน่งท่านท่านมีความรู้และความสามารถสมกับที่เขายกย่องท่านเลื่อนตำแหน่งท่านหรือเปล่าอยู่ๆเขาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะในปี2489 ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยสเสด็จนิวัดพระนครสองสี่แปดเก้าพร้อมกับเจ้าแผ่นดินราชการที่แดและพระเจ้าแผ่นดินราชการที่แเสด็จสวรรคตกระฐานหันรัะสภาชุนทูลเชิญขึ้นทรงราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปี2489เป็นยุวกริย์ ผู้เยาว์วัยปกครองบ้านเมืองอย่างไรยังไม่เคยศึกษาเลยแล้วทำยังไงต้องแสวงหาความรู้ความสามารถเพื่อมาปกครองบ้านเมือ ง, ส, ง, ส, งสิ่งที่ทรงทำเมื่ออันดับแรกเมื่อคลองราชคืออะไรลาไปศึกษาต่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินราชการที่เก้าเมื่อก่อนสเสด็จขึ้นคลองราชเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ ในมหาวิทยาลัยโลซานวิทยาศาสตร์ไม่ได้สำหรับปกครองบ้านเมืองพอเป็นพระเจ้าแผ่ดินสดเด็จกลับไปในปีนั้นเปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์เป็นสาขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานในสาขาสังคมศาสตร์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากสายวิทย์คณิตเปลี่ยนมาเรียนสาย ศินเลยล่ะถ้าลองคิดดูยากไหมล่ะวิทย์คณิตต้องเก่งนะจะเรียนสายวิทยาศาสตร์คำนวณต้องเก่งอยู่ๆมาใช้ภาษาเป็นหลักฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษเรียนภาษาอย่างชำนาญทุกภาษาเมื่อเสด็จสวรรค์คแล้วผู้พูดได้เห็นแหละ ส่งให้สัมภาษณ์เป็นภาษาังกฤษภาษาฝรั่งเศสในหลวนในการที่9ก้านิ่บตัดอย่างเรียกว่า f l u e n t l y คล่องไพเราะเป็นธรรมชาติแล้วไม่เคยได้เห็นยากขนาดไหนสำหรับเปลี่ยนสายเรียนน่ะเราก็รู้นิสิตของเราเป็นอย่างนั้นคนที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นอัจฉริยะเพราะสมองเราสองซี่ คนส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ซีกเดียวคือซีกสายพวกเรียนวิทย์เรียนคณิตแมทเมติกส์วิทยาศาสตร์โลจิกเนี่ยสมองซีกสายแต่อาร์ตศิลปะดนตรีาศาสนาเป็นสมองซีกขวาในหลวงของเราเนี่ยทรงเป็นอัจฉริยะอักษรศิลปินทรง เป็นผู้ที่สนพระไทยในพระศาสนาและกลายเป็นว่าพระองค์จดสิทธิบัตรในด้านเทคโนโลยีการหันน้ำชัยพัฒนาทรงพัฒนาฝนหลวงออกมาช่วยพระสกนี้ก่อนโครงการเกษตร ทฤษฎีเกษตรสมัยใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผสมผสานทั้งสายศิลป์สายวิทย์อยู่ในพระองค์ท่านอย่างกลมเกลินเราเรียกคนอย่างนี้ว่าหาได้ยากที่จะสุดยอดเนี่ยไอเราเนี่ยก็ทำได้ใช่ไหมงูงูปลาปลาแต่ละเรื่องแต่นี่สุดยอดพระองค์สุดยอดเป็นนักนักศิลปินเป็นอะไรต่างๆในทางนี้ก็ไปสุด ในทางนี้ก็สุดยอดเราเรียกกันว่าจีเนียสมหัจฉริยะบุคคลที่รวมศาสตร์และศิลป์ไว้ในตัวคนคนเดียวกันได้ต้องบอกว่าประเทศไทยโชคดีนะในรอบเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาได้คนเก่งสุดๆอัจฉริยะบุคคลมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเน่เรามีบุญไม่ละที่มาเกิด ในภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์อัจฉริยะอัจฉริยะบุคคลที่ทำได้ระดับโลกที่รวมศาสตร์ศิลป์ไว้ด้วยกันเนี่ยอย่างพอดีเลยนะไม่ตีกันนะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจาศาสนาก็มีแต่ว่าเพี้ยนอะไรอย่างนี้แต่พระองค์ทำได้พอดี ยกตัวอย่างบุคคลของโลกที่เป็นอัจฉริยะที่ผสมผสานสมองสองซีกหรือศาสตร์และศิลป์ได้พรอดีเนี่ยคือเลโอนาร์โดดาวินชีใครไปที่ฝรั่งเศสไปมาแล้วไปพิพิธภัณฑ์ดลลูฟไปดูภาพสุดยอดของเขาภาพนี้โมนาลิซาวาดโดยเลโอนาร์โดดาวินชีเรารู้จัก ภาพนี้ติดตากันทุกคนภาพเดลัสซปเปอร์สุดยอดภาพวาดอื่นๆนี่เรารู้ดีว่าเขาเป็นอักฉรศิลปินเป็นจิตรกรสุดยอดเลยแต่ทุกวันนี้โลกศึกษางานของเขาแล้วไม่เห็นภาพที่เขาสเก็ตไว้นี่เครื่องบินนั่นคนเมื่อสี่ร้อยปีมาแล้วนี่สี่ร้อยห้าร้อยปีมาแล้วนี่ ด้านเทคโนโลยีสุดยอดผลิตอาวุธเขาออกแบบได้สร้างสะพานเป็นวิศวกรออกแบบเครื่องบินได้ด้วยวาดภาพก็สุดยอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็สุดยอดล้ำสมัยด้วยคนสมัยนั้นตามไม่ทันเลยเครื่องร่อนเครื่องบินเขาเนี่เรียลนาโดดาวินชีทาได้ และนั่นคือตัวอย่างของอัจฉริยะบุคคลที่สุดยอดของโลกในหลวงก็คือสุดยอดของอัจฉริยะบุคคลแบบนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ในหลวงราชการที่๙จึงเป็นผู้มีอาอตทักฆะคือสุดยอดหลายเรื่องสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเช่นสิ่งประดิษฐ์การขาน้ำชัยพัฒนาที่จดสิทธิบัตรโครงการฝนหลวงการปกครองจนเป็นมหาราช สายสินเช่นดนตรีกีฬาวณกรรมศาสนาพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกเคยอ่านหรือเปล่าทรงแปลมาจากภาษาบาลีด้วยภาษาไทยมาสรุปเน้ยทรงสรุปด้วยภาษาไทยเนี้ยสั้นลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าแนวคิดสร้างสรรค์ภาษาก็ไพเราระทรงแปลจากบาลีเป็นภาษาไทยยังไม่พอแปลต่อเป็นภาษาอังกฤษอีก ไยระทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพิ่มอะไรต่ออะไรที่เสื่องวิชมหาวิ ช, ชาลัยอะไรต่างเนี่ยมีคุณค่ายอย่างยิ่งในทางศาสนาคนที่สนใจศาสนาด้วยดนตรีภาพทายกีฬาอะไรต่างๆแล้วยังมาสนใจในเรื่องของวิท ย, ทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ทำได้อย่างสุดยอดทั้งพูดเราเรียกว่าอัจฉริยะบุคคล นี่คือสองข้อแรกนะหนึ่งมีอํานาจและอํานาจนั้นไม่ได้มาจากตําแหน่งเท่านั้นมาจากบารมีส่วนพระองค์ทรงมีอํานาจสองทรงมีความรู้ความสามารถระดับอัจฉริยะบุคคลคนที่มีสองอย่างเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ไหมไม่ได้ บางคนเนี่ยนะอาจชริยะจริงแต่ว่าเห็นแก่ตัวกอบโกยเพื่อตัวเองมั่งคั่งส่วนตัวเอาเปรียบคนอื่นโจรที่มันฉลาดฉลาดเราก็ยังเห็นเลยโกงอย่างแนบเนียนอย่างที่รัชการที่ห้าทรงเป็นห่วงว่ายิ่งคนเรียนหนังสือมากใช่ว่าจะดีตามไปด้วยหาได้ไหม ยิ่งเรียนมากยิ่งยิ่งรู้มากให้ห่วงไปไว่าในอนาคตยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากอ่านหนังสือได้คล่องก็จะได้ก็จะโกงได้คล่องและโกงได้พิสดารยิ่งขึ้นมีพระราชาหัตเลขาไปถึงสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชเรานวโรรสที่วัดบวรนิเวศวิหารอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพียงแต่อำนาจเพียงแต่ความรู้ความสามารถ ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ความจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะต้องมีน้ำใจเสียสละพูดในภาษาของเราว่ามีธรรมะถ้าปราศจากธรรมะอำนาจก็ใช้ในทางกดขี่คนถ้ามีอำนาจปราศจากความรู้ความสามารถอำนาจก็อยู่ได้ไม่นาน อำนาจอยู่ได้นานต้องมีธรรมะกำกับเพื่อประโยชน์สุขเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบราชการที่เก้าเรียนจบปริญญาตรีสเสด็จนิวัตรพระนครปี 2,493 สาจึงได้รับพระบรมราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เต็มตัวและเมื่อเป็นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินเต็มตัวเนี่ยทรงประกาศ พระบรมราชโองการฉบับที่หนึ่งพระมหากษัตริย์เมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้รับบรมราชบรมราชาพิเศษแล้วจะประกาศบรมราชโองการเราเรียกว่าพระประถมบรมราชโองการพระประถมบรมราชโองการที่ประกาศในวันที่ห้าพฤษภาคม2493คือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ท่านเห็นอะไรในประโยคนี้คลองแผ่นดินคืออำนาจเป็นพระราชาโดยธรรมคือธรรมราชาความมีน้ำใจคือนึกถึงประโยชน์สุขของประชาชนไม่ใช่ประโยชน์สุขส่วนพระองค์เป็นใหญ่เพื่อเอาใช้ใช้อำนาจใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อคนอื่นเพื่อคนส่วนรวมตรงนี้แหละท่านทั้งหลายพวกเราก็จบด็อกเตอร์กันมาเยอะมีอำนาจก็มากความรู้ความสามารถเพียบแต่ใครจะใช้ความรู้ความสามารถด้วยน้ำใจประโยชน์สุขของนิสิตนักศึกษาบ้างเสียสละเพื่อเขาบ้างสร้างเยาวชนคนรุ่นต่อๆไปเนี่ย ด้วยจิตวิญญาณของครูสักกี่คนครูสมัยก่อนนี่เขาเรียกวิญญาณของครูเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลเนี่ยเพราะอะไรท่านไม่ใช่สอนเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ความรู้ดีอย่างเดียวจบด็อกเตอร์หลายใบยไม่มีเลยสมัยก่อนเนี่ยแต่รักสิทธิ์เหลือเกินดูแลทุ่มเทมีเวลาให้จนสมัยนี้ เริ่มตั้งคำถามว่าตามโรงเรียนต่างๆเราวางนโยบายผิดหรือเปล่าที่ให้ครูในโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยเลื่อนตำแหน่งโดยงานวิจัยทิ้งนักเรียนไม่มีเวลาให้ความอบอุ่นไม่มีเวลาสอนในห้องเรียนต่อไปนี้การสอนนั่นแหละเรื่องที่อยู่กับ น, นักเรียนนั่นแหละเอามาเลื่อนซีได้ มาเลื่อนตำแหน่งได้จะทำกันหรือเปล่าประกาศแล้วมิฉะนั้นเราก็จะคิดถึงตัวตัวเองสร้างดวงดาวกันคนละดวงแล้วใครดูแลนักเรียนที่เวลาไปสอบปีซากวิทย์คณิตอังกฤษแพ้เขาหลุดลุ่ยทุกปีมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเริ่มตั้งคำถามแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจที่คิดถึงประโยชน์สุข ของนักเรียนนักศึกษาที่เราจะต้องถอดรหัสออกมามีเวลาให้เขาเหมือนพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ก้าประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยแล้วมีเวลาให้ประชาชนไหม24ชั่วโมงทรงให้เวลากับพระศกนี่ก่อนทำไมจะง่ายอย่างนั้น พอเสด็จสวรรคตรแล้วฝรั่งท่านหนึ่งเขียนบทความลงบางกรอกโพสว่าตัวเขาเนี่ยอยู่มาสองแผ่นดินครึ่งชีวิตแรกอยู่แผ่นดินของกษัตริย์ของกษัตริย์อังกฤษคือควีนเอลิสเบดเขาอยู่ออสเตรเลียอีกครึ่งชีวิตเขามาอยู่ประเทศไทยกับคิงภูมิพล ภายใต้พระบรมโพธิสมบาตของกษัตริย์ภูมิพลเขารู้สึกประหลาดใจมากเมื่อมาถึงประเทศไทยใหม่ๆทำไมกษัตริย์ภูมิพลหรือคิงภูมิพลไม่ค่อยอยู่ในพระราชวังควีนของเขาเนี่ยซึ่งในประเทศเขาเรียกว่าที่จักรภพจะมีควีนอลิซาเบธเป็นประมุข แอลเวเนียจะเข้าเฝ้าก็ยากต้องไปที่วังในอังกฤษและเราจะเห็นภาพงานแต่งงานงานอะไรต่างๆนี่โอ้โ ห, โ, ห โ, หโหยังกรเทพนิยายในราชวงศ์อ่ะเพราะฉะนั้นก็วาดภาพกษัตริย์หรือควีน เ, เหมือนกับในเทพนิยายยิ่งใหญ่อยู่ในพระราชวังแต่กษัตริย์ภูมิพล ดูข่าวสองทุ่มทีไรนะวันนี้ก็อยู่จังหวัดนี้พรุ่งนี้ไปอยู่ภาคโน้นวันนั้นเสด็จไปเยี่ยมน้ำท่วมวันนั้นไปเสด็จไปดูโครงการพัฒนาชาวเขาเขาก็ถามเพื่อนว่าและจะเข้าเฝ้านี่จะไปพบพระเจ้าแผ่นดินของคุณที่ไหนอ่ะพระมหากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเพราะว่ากษัตริย์ของเราต้องไปเข้าเฝ้าที่วังคนไทยก็บอกเขาว่า เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนั่นแหละคือวังของพระเจ้าแผ่นดินไทยพระองค์เสด็จให้เวลากับประชาชนไปทุกคหนทุกแหง่งไปแล้วสนทนากับประชาชนไปแล้วฟังปัญหาของชาวบ้านเอามาช่วยกันแก้เพราะฉะนั้นเป็นมหากัรร์ของประชาชนเป็น People's King กษัสัตย์ของประชาชนมีคำถามมอมราชวงศ์เครือริดปราโมทอดีตนายกรัฐมนตรีถามคำถามราชการที่หนึ่งโปรดคือชอบทหารราชการที่สองโปรดกรวีราชการที่สาม โปรดการคนสร้างวัดในยุคสงครามราชการที่หนึ่งนี่ต้องยกย่องทหารสงครามก้าทัพเป็นต้นสู้กับพมา่าในยุคราชาการที่สองทรงโปรดกวีสุนทรผู้โด่งดังในยุคนี้ในรชาชการที่สามโปรดอะไรสร้างวัดเพราะฉะนั้น แต่ละองค์เนี่ยจะโปรดเฉพาะในแต่ละยุคถามว่ารัชการที่9ก้าโปรดอะไรห ม, อม่อมราชวงศ์เครือริดตอบเองโปรดการพบปะประชาชนความสุขของพระองค์อยู่ที่ได้ให้ประชาชนเข้าเฝ้าหรือออกไปเยี่ยมรัษดรและไปแต่ละครั้งก็จะมีพระราชจาไปเสินฐานมีความสุข ฉะนั้นเจ็ดสิบปีที่คลองราดเนี่ยพัฒนาประเทศขนาดไหนท่านรู้ก่อนขึ้นคลองราด2 4งพันนี่ยประเทศไทยแพ้สงครามโลกเพราะไปล่วงกับญี่ปุ่นดีเขาไม่ปรับแพ้ น, นนะเพราะเราไม่ได้ยื่นหนังสือประกาศสงครามให้สหรัฐทูตไม่ยอมยื่นและมีขบวนการเสรีไทยช่วยเราก็อยู่กึ่งแพ้กึ่ง กึ่งชนะไม่รู้จะอยู่ฝ่ายไหนเศรษฐกิจก็ยำแย่พันธมิตรก็หมางเมินราชการที่ก้าวขึ้นครองราชเศรษฐกิจประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ระดับเรียกว่าประเทศกำลังพัฒนาผ่านมาเจ็ดสิบปีนี่นะสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ ธนาคารโลกประกาศยกระดับเศรษฐกิจไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง upper middle income country คำว่า upper middle income country เนี่ยคืออยู่ระดับไหนพัฒนาอีกระดับเดียวเราเท่ากับสหรัฐเกา่าเออญี่ปุ่นสิงคโปร์ ธนาคารโลกเขาแบ่งกลุ่มประเทศตามเศรษฐกิจสี่กลุ่มกลุ่มที่มีรายได้สูงสหรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งอันดับสองคือประเทศไทยเป็นอยู่ในปัจจุบันรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นรัสเซียจีนมาเลเซียไทยกลุ่มที่สามที่เราพ้นมาแล้วรายได้ ปานกลางระดับล่างอินเดียสีลังกาวเวียดนามกลุ่มสุดท้ายรายได้ต่ำเนปาลเกาหลีเหนืออับการิสถานประเทศไทยก้าวกระโดดจากเรียกว่ากำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยจนเกือบจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วงอายุคนเดียว70ปีมหัศจรรย์ไหมล่ะ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพร้อมๆกับเราเนี่นะเช่นพม่าเนี่ยจเจริญกว่าเราด้วยซ้ำอังกฤษทิ้งความรุ่งเรืองไว้ให้แต่เจ็ดสิบปีผ่านมานี่เป็นยังไงเราโชคดีนะที่เรามีผู้นำเป็นคิงภพมิพลพระมหากษัตริย์พระองค์นี้พม่าไม่ได้โชคดีอย่างเรานี่ต้องเทียบเพราะว่าตอนที่สิ้นสงครามโลกพม่าจเจริญมากกว่าไทยด้วยซ้าไป ชูมาร์เกอร์ไปศึกษาเศรษฐกษิจพม่าแล้วออกมาเขียนหนังสือในสมัยนั้น i s ติสิค o m มิ s เศรษฐศาสตร์เชิงพูดชื่อว่า small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋วนั่นคือพม่าแต่ทุกวันนี้พูดไม่ได้แล้วประเทศไทยต่างหากวงเล็บถ้าไม่ทะเลาะกันเออเพราะฉะนั้นในหลวงราชการที่เก้าทรง เดินตามแบบพระมหากษัตริย์ในอดีตโดยเฉพาะธรรมราชาในอดีตถามว่าธรรมราชาในอดีต ท, ที่เป็นต้นแบบเป็นโมเดลของพระมหากษัตริย์ชาวพุทธโลกคือใครตอบว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชองค์จักรพัฒ์อโศกมีชีวิตอยู่จริงคลองราดในปีพศออประมาณ270เจบถึง 311พระมหาพระเจ้าอาโศกมหาราชเ ย, ยกทัพเราก็ทราบในพุทธบัตรเนี่ยนะอินเดียแตกออกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย16แคว้นแล้วค่อยๆรวมกันรวมกันจนมาถึงหลังพุทธเจ้าประนิพนธ์ได้200กว่าปีเนี่ยพระเจ้าอาโศกมหาราชยกทัพยึดทั้งประเทศเลยรวมแผ่นดินอินเดียเป็นหนึ่ง เหมือนจินซีห้องเต้รวมจีนเป็นหนึ่งยุคเดียวกันแต่ต่างกันตรงไหนพระเจ้าอาโศกเนี่ยฆ่าคนอินเดียในการยึดอำนาจเนี่ยตายเป็นเบือเขาเรียกว่าจันดาโศกแปลว่าอโศกผู้โหดเหี้ยมครั้งสุดท้ายที่ลบเนี่ยพระเจ้าอาโศกรบที่แคว้นกลิงคะ บันทึกไว้ว่าตายเป็นแสนคนศพเป็นภูเขาเหล่ากาพระเจ้าอาโศกเห็นศพคนเป็นแสนอยู่ในสนามรบเนี่ยสะท้อนพระไทยอำนาจเพื่ออะไรลบแก่งแย่งกันฆ่ากันมันได้อะไรขึ้นมาสลดพระไทยหยุดลบหันไปศึกษา ความหมายของชีวิตอำนาจมีเพื่ออะไรทรัพย์เงินทองเกียรติยศเพื่ออะไรไปถามศาสดาทั้งหลายศาสนาทั้งหลายคำตอบไม่ถูกพระไทยจนกระทั่งมาพบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้คำตอบหันมานับถือพุทธศาสนาพอนับถือพพุทธศาสนาแล้วเลิกลบ ได้รับชื่อใหม่ธรรมมาโศกที่เราเรียกกันว่าภสษีธรรมมาโศกราชแปลว่าพระเจ้าอาโศกผู้ทรงธรรมพระเจ้าอาโศกผู้ทรงธรรมเนี่ยเลิกใช้สงครามวิชัยชนะกันด้วยสงครามการรบเปลี่ยนมาเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมะส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระาศาสนา พระพุทธศาสนาเก้าสายหนึ่งในเก้าสายไปศีรังกาหนึ่งในเก้าสายมาที่สวนภูมิพระโสนะพระอุตระยุคนี้แหละส่งทูตไปผูกความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไม่จำเป็นต้องรบก็ได้ดอกไม้เงินดอกไม้ทองเขาเรียกนโยบายธรรมวิชัยแล้วพระเจ้าอาโศกนี่แหละเวลาบันทึกจารึกไว้ในศิลาจารึกเนะทั่วอินเดียเปลี่ยนจาก เข้าป่าล่าสัตว์เป็นกีฬาพระราชาสั่งห้ามคนอินเดียฆ่าสัตว์บูชายันศาสนาพราหมณ์ชอบฆ่าสัตว์บูชายัญใช่ไหมศาสนาพุทธบอกบาปคนอินเดียเลยเปลี่ยนนิสัยเพราะพระเจ้าอาโศกเดี๋ยวนี้นะใครไปอินเดียครึ่งประเทศเป็นมังสวิรัตทานผักคนพันสี่ร้อล้านคนเนี่ย เลิกกินเนื้อสัตว์เพราะพระเจ้าอาโศกพระพุทธศาสนาเพราะอะไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์นะศาสนาพราหมณ์ให้บูชา ย, ยัญอยู่ทุกวันนี้ฆ่าได้พระเจ้าอาโศกสั่งล่าสั่งหยุดการล่าสัตว์ข้าราชการทั้งหลายพวกราชวงศ์ทั้งหลายเปลี่ยนจากล่าสัตว์เป็นธรรมายาตราไปไหวสังเวชนียสถานสีตำบล ไปถึงตำบลประสูตรปักเสาอสโศกไว้ตรงนี้พระพุทธเจ้าประสูตรตรงนี้ตรัสรู้ตรงนี้นิพพานเราได้บารมีของพระเจ้าอโศกเนี่ยทำให้เรารู้เลยพระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ตรงไหนเพราะเสาอสโศกจารึกไปด้วยสมัยนูมีตัวหนังสือหมดแล้วเราเรียกว่าจารึกพระเจ้าอโศกมีจารึกหลักศิลาหนึ่งว่า พระเจ้าอยู่หัวปริยธทศีผู้เป็นที่รักเหงื่อถวยเทพคือพระเจ้าโศกเนี่ยไม่ปราถนายศและอำนาจเพื่อส่วนตนยศและอำนาจมีไว้เพื่อบูชาพระธรรมเพื่อยกย่องพระธรรมเป็นธรรมมาทิปไต่ส่งเสริมให้คนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะและช่วยเหลือกันด้วยธรรมะเพราะธรรมะเท่านั้นแหละ พระเจ้าอาโศกจึงมีจึงใช้อํานาจพระเจ้าอาโศกจึงประกาศนายศถามว่าถ้าท่านจะมีอํานาจขึ้นมาเป็นใหญ่ในองค์กรท่านจะมียศขึ้นมาท่านจะมีศัก์ขึ้นมาท่านใช้มันทําอะไรถ้าวันหนึ่งท่านรวยล้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งท่านจะใช้มันทําอะไรมีคนคนหนึ่ง เขารวยกระทันหันเป็นชาวอังกฤษเป็นหญิงสาวอายุ16ปีชื่อเจนสปาร์กอยู่ๆเธอซื้อลอตโต้เรียกว่ายูโรมิเลียนได้หนึ 1, 000, 000, 000, 000, ่งล้านเหรียญไอ้เนหนึ่งล้านยูโรเท่ากับส5ล้านบาทเด็กอายุ1 6 1หปีเด็กสาวเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินเอาทองเนี่ยไปใช้ทำอะไรไปเสริมสวยบ้าง แล้วก็ไปเล่นหุ้นไปเล่นพันซื้อพันธบัตรเล่นธนาคารเพราะว่าไออบริษัทลอตโต้เนี่ยเขาจะส่งที่ปรึกษามาจัดการทรัพย์สินอยู่ๆจะต้องมาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจทิ้งความเขาเรียกอินโนเซนต์ความสุขของวัยรุ่นหายไปเลยเหมือนคนอายุ4ี่สิปีทีนี้ท่านใช้เงินไม่เป็นเด็กะจะไปรู้เรื่องอะไร กลายเป็นคนแก่อายุ40ปีคิดแต่ตัวเลขทุกข์เหลือเกินเครียดเหลือเกินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอไปออกทีวีประกาศจะฟ้องบริษัทลอตโต้ ô, ที่ทำลายชีวิตทำลายความสุขของเธอและจะฟ้องศาลให้บังคับบริษัทลอตเตอรี่เนี่ย เลิกจำนายลอตเตอรี่แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า18บปปีเพราะเด็กเหล่านี้ไม่รู้ว่าเงินทองมหาศาลถ้าได้มาแล้วเนี่ยมันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างไรอำนาจเพื่ออะไรท่านเงินทองเพื่ออะไรเราอายุมากกันนี่จะทราบแล้วถ้าไม่ใช้เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นมันจะมีคุณค่าตรงไหน มีเงินมีทองมาซื้ออาหารและประทานเสื้อผ้าใส่เนี่ยมันจะสักกี่บาทเชียวแต่ถ้าหากว่าได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือคนก็จะมีความสุขเพราะเงินทองของเราฉะนั้นรชาชการที่ก้าวจึงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และธรรมะนั้นมีสองประเภทนะหนึ่งธรรมะเพื่อพัฒนาตนเราเรียกว่าอัตตหิตะสมบัติสองธรรมะเพื่อปราหิตะปฏิบัติทำประโยชน์แก่ผู้อื่นยกตัวอย่างทานศีลภาวนาเราถวายทานใส่บาตรทุกเช้าได้บุญแต่คนที่ใส่บาตรทุกเช้า ใช่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ดีเพราะการให้ทานนอกจากทำบุญแล้วการจะเป็นผู้ปกครองต้องจะให้ทานเพื่อประริตาปฏิบัติประเพณประโยชน์แก่นคนอื่นเราเรียกว่าสังหาวัตถุทานปิยาวาจาอัฏฐจริยาสมานตตาโอบอ้อมอารีวจีภัยละสงเคราะห์ประชาชนวางตนพอดี ทานนี่ไม่ใช่ทานาน้ม่ในในสังคปรูเนี่ยเป็นทานน้ำใหม่ทบุญเราไม่ทำบุญนอกพระพุทธศาสนาใส่บาตรพระเท่านั้นแต่ท่านให้ทานเพื่อสงเคราะห์ได้แกค้นต่างศาสนาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองท่านสามารถให้ทานแกใครก็ได้เพราะฉะนั้นการให้ทานในฐานะผู้ปกครองมันเป็นข้อสอง ในทศพิพพิจะทำอ่ะการให้ทานในข้อหนึ่งในฐานะชาวพุทธคนละเรื่องแต่อาจจะทำพร้อมกันก็ได้ในขณะที่ท่านให้ทานท่านทำบุญด้วยเป็นทานะไมท่านทำหน้าที่ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ด้วยเป็นสังขาวัตถุฉะนั้นคนบางคนแยกกัน เวลาเป็นข้าราชการเป็นราชพัฒปฏิบัติหน้าที่ราชการนึกว่าเราให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนหารู้ไม่ว่าในขณะที่ท่านช่วยคนอื่นท่านกําลังทําบุญทําบุญเป็นทำงานเป็นบุญดังที่ท่านบอกว่าทํางานให้สนุก มีสุขกับการทำงานบุญเป็นชื่อของความสุขถ้าท่านทำบุญให้ความสุขแก่คนอื่นท่านก็จะมีความรู้สึกรักในงานของท่านไม่รู้สึกเป็นหน้าที่ถ้าทำงานเหมือนหน้าที่มันก็จะทุกได้แต่ในหลวงเจสปีเนี่ยมีความสุข บุญเป็นชื่อของความสุขในขณะที่ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมก็ทรงทำบุญไปด้วยทศพิธราชธรรมมีสิบข้อมาจากมาหาหังสชาดกภาษาบาลีว่าทานังสีหลังปลิจจาขังอาชวังมัทวังตะปังอากโกทังอวิหิงสันจะขันตินจะอวิโรนังสิบข้อ สิบข้อนี้เป็นปรหิตะปฏิบัติทานคือการให้ศีนกายรักษากายวาจาให้เรียบร้อยบริจาคสละความสุขส่วนตัวอาชวะซื่อตรงมัทธวะอ่อนโยนตะ บ, บะความเพียรเผากิเลสอโกทะเมตตาอาวิหิงสาการุณาขันติความอดทน อาวิโรธนะกไม่คลาดจักรธรรมเวลาหมดแล้วสรุปให้ฟังเลยทานให้สิ่งของเรียกว่าอามิสสถานในหลวงให้สิ่งของโครงการในพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการโครงการฝนหลวงอะไรก็ตามอามิสสถานธรรมทานทรงให้พระบรมราโช ว, วาทปรัชญาเศ ร, รษฐกิจพอเพียง และอื่นๆมากมายโครงการในพระราชดมริเริ่มในปี2495สบที่ห้วยมงคลลรถไปติดลมอยู่ชาวบ้านมาช่วยแล้วก็ถามชาวบ้านว่าต้องการอะไรต้องการถนนนี่คืออามิสถานที่หัวหินจำนวนโครงการ4447สโครงการในพระราชดำริเนี่ยจนปี2556หห เขาก็แยกบท ม, มีอะไรบ้างโครงการฝนหลวงธรรมทานเรื่องมหาชนกเรื่องปรัชญาเศ ร, รษฐกิจพอเพียงศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยทรงเท่าเทียมกันตามกฎหมายแต่งงานคือพระบรมราชาพิเศษสมรสก็ทรงไปจดทะเบียนเหมือนชาวบ้านทั่วไป บริจาคข้อที่สพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเห็นว่าจะได้สุขที่ยิ่งใหญ่เพราะสละความสุขเล็กน้อยผู้มีปัญญาควรสละความสุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในหลวงไม่เคยประทับอยู่ในหวังสำนักราชเลขาธิการบันทึกว่าปีหนึ่งหนึ่งตอนที่ทรงแข็งแรงสเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ห้ายถึงหร้อยครั้งต่อปีนะรวมระยะทางที่เสด็จ2 5 0 0 0พันถึงสามื่นกิโลเมตรคนเห็นแก่ตัวทำไม่ได้ปกนิตยสารถ่ายในปี2509้าพาดหัวปกว่าอโมนาคีไฟส์ฟอร์ฟรีดัมพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสู้เพื่อเสรีภาพ กาสรุปในนิตยสารนี้ซึ่งมีอยู่ได้อ่านหมดถ่ายมาให้ดู 2,109 ในหลวงออกพัฒนาทั่วประเทศลำบากลำบนที่เราเห็น น, นนะไปไปแก้ปัญหาชาวฝิ่นปลูกฝิ่นที่ภาคเหนือภาคอีสานเรื่องแบ่งแยกดินแดนเรื่องคอมมิวนิสต์วันเสียงปืนแตกมิะนั้นประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ 2 0 9ในนิตยสารไทยนั้นเขาพาดหัวว่า h o l d e r of the Kingdom, Strength of the Land เป็นศูนย์รวมใจของชาติเป็นภูมิพลังของแผ่นดินถ้าในหลวงไม่รวมใจของชาติคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดสถาบันกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ประเทศไทยก็คงจะเหมือนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนบ้านเรา คืออาระยธรรมวัฒนธรรมเราถูกทำลายสิน้นเหมือนปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนสมัยเหมาเจ๋อตุงคาร์ลมาร์กส์บอกว่า Religion is the อ p i u m of people ศาสนาคือยาเสพติดของประชาชนศาสนามาสมัยนั้นมีสโลแกนคอม m ิ n i s สมาศาสนาหมดเราสิ้น สถาบันด้วยไม่มีอะไรที่เป็นไทยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นสหรัฐจึงมาลุมช่วยประเทศไทยเขาเสนอทฤษฎีโดมิโนโจีนล้มเป็นคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้ก็เป็นจะเป็นคอมมิวนิสต์ลาวก็จะเป็นคอมมิวนิสต์กัมพูชาก็จะเป็นคอมมิวนิสต์และมันจะล้มมาจนถึงไทยมาเลเซียสิงคโปร์ท่านทั้งหลาย ทำไมโดมิโน่จึงมาหยุดตื่อที่ประเทศไทยทำไมไม่ล้มตามจะด้วยอะไรก็ตามเดชะอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งในสายตาชาวโลกทายแมกกาซีนขึ้นปก Holder of the Nation of the Kingdom ศูนย์รวมแห่งแผ่นดินเป็นภูมิพลังแห่งแผ่นดินศูนย์รวมแห่งชาติศูนย์รวมใจแห่งชาติพระเจ้าอยู่หัวทรงออกพัฒนาทุกขนทุกแห่ง จนคนไทยไม่ว่าชาวเขาก็กลายเป็นชาวเราหมดไม่ยอมแยกดินแด น, นไม่ยอมแบ่งประเทศเมื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปถามทำทำไมคิดหรือว่าจะชนะฝรั่งมันถามตรงในหลวงย้อนถามราชการที่ก้าย้อนถามชนะอะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ สรงใช้ภาษาอังกฤษว่า winning against whom ชนะใครผู้สื่อข่าวก็บอกว่าชนะคอมมินิสต์สิในหลวงบอกไม่ทราบราชการที่กาบอกไม่ทราบรู้อยู่แต่ว่าที่ทำทุกวันนี้เพื่อเอาชนะความหิวโหยของประชาชน winning against hunger of the people ถ้าชนะความหิวโหยของประชาชนได้ คนหยุดหิวโหยคนที่คุณเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็น่าจะพอใจนะในหลวงไม่ส่งแยกระหว่างคอมมิวนิสต์กับพระสกนี้ก่อนใครก็ได้พัฒนาให้หมดเพราะฉะนั้นในปี 2,523 จึงมีคำสั่ง66ทับ23นิรโทษกรรมอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมดให้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จนบัดนี้ไม่ฟื้นฝอยหาตะเก็บเลยในหลวงทรงรักพระศพนิกรของพระองค์พัฒนาทั้งหมดเหนือใต้ตกออกนี่คือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่หยุดทฤษฎีโดมิโนโเช่นเดียวกับรัชกาลที่ห้าหยุดการลุกรานอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสรักษาเอกกราชไว้ได้รัชกาลที่เก้าหยุดทฤษฎีโดมิโนโ ประเทศไทยไม่เป็นคอมมอนิสต์สิงคโปร์มาเลเซียต้องขอบคุณประเทศไทยอาชวะซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็น Man of All s สีสั้นเจ็ดสิบปีในหลวงไม่เคยเปลี่ยนต้นไม้ยังเปลี่ยนสีในหิมะลงนี่มันจะเปลี่ยนสีแต่มีอยู่ต้นหนึ่งไม่เปลี่ยนคือต้นคริสต์มาสคือต้นสน ใครที่ไม่เปลี่ยนสีไปตามสถานการณ์เราเรียกว่าแมนอพออนซีซันนั่นคือความซื่อตรงนั่นคือในหลวงราชการที่เก้ามัธวะอ่อนโยนภาพที่เราเห็นเกือบจะบอกได้ที่ทรงทรงน้อมไปรับดอกไม้จากคุณยายตุ้มจันทนิดอายุร้อยสามปีติดตาพวกเรา ผู้นำมีสองประเภทนั่งอยู่บนหัวคนประเภทหนึ่งนั่งอยู่บนในหัวใจคนประเภทหนึ่งผู้นำที่อ่อนโยนจะนั่งอยู่ในหัวใจคนคือในหลวงรัชกาลที่เกผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนทำให้นึกถึงนี่ภาพนี้สองสี่เ8ผู้ดีที่สุดภาษาอังกฤษผู้ดีที่สุดจะสุภาพที่สุดผู้ที่เข้มแข็งที่สุด จะอ่อนโยนที่สุดตบะความเพียเรเผาบาปข่มกิเลสประหยัดมัธยัติไม่ฟุ้งเฟอ้ออันนี้เราทราบยาหลอดสีพระทนน่หลอดยาสีฟันนะ่ที่เราเห็นถ้าในหลวงรัชการที่เก้าไม่ทรงประหยัดเองสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ เพราะพระองค์อยู่อย่างเรียบง่ายอย่างประหยัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชาวโลกมหาธรรมครันธีบอกว่าโลกให้ทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่เพียงพอต่อ ก, การสนองความโลภของมนุษย์ทรัพยากรในประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ให้คนกินได้อีกไม่รู้กี่ร้อยปีก็ไม่หมด แต่ไม่เพียงพอต่อสนองตันหาความโลภของผู้ที่ตัดไม้ทําลายป่าผู้ขุดเอาทรัพยากรมาใช้เพื่อความมั่งคั่งของคนไม่กี่คนทำไมไม่รู้จักพอเพียงอยู่กันอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยาทํำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและประเทศไทยเราก็จะมีความสุขเพราะเราได้เปรียบทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนัติตันหาสมานาทีแม่น้าเสมอด้วยตันหาไม่มี สรุปเศรษเกิจพอเพียงถ้าพร่องให้รู้จักเติมถ้าเต็มไม่รู้จักพอถ้าล้นให้รู้จักแบ่งปันอโกทะไม่โกรธคือเมตตาคือความรักในหลวงรักพระสงฆนิกรทั้งหมดนะต่อไปก็คืออวิหิงสาจบแล้วเลขอีกสองข้ออวิหิงสาคือการุณาสงสาร แปลว่าสงสารไม่มีเวลาอธิบายแล้วนะดูหัวข้อเอาเขาส่งการ์ดมาแล้วขันติอดทนทนละบากทนตรกตรำทนเจ็บใจเป็นพระมหามหาราชผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกเข้าไปในวังสนจิตฝรั่งงงเป็นมหาราชที่สมถะที่สุดมีแต่กังหันมีแต่ฟามโคโนมมีแต่แปลงนาทดลอง ไม่มีอะไรเลยที่จะฟุ้งเฟอ้ออวิโรธนะไม่คลาดจากธรรมทรงใช้ราชธรรมกำกับการใช้พระราชาอำนาจหมดเวลาก็จบเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นข อ, อนุมโมทนาทุกรูปทุกท่านที่มีน้ำใจอันเปี่ยมด้วยกตัญยุตากะตะเว ก, กตัญยูกตเวทิตาธรรมสำนึกในพระมหา การุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒ์ที่มีมติร่วมกันให้วันที่14กุมภาพันธ์วันที่พระราชทานนามราชภัฒน์นั้นเป็นวันที่ประชาคมชาวราชพัฒ์ได้ทำบุญใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศล และทุกท่านก็ไม่ละโอกาสทองนี้สมัครมาเข้าโครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ขอทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งกลยาณจิตอธิษฐานอ้างมหากุศลนี้อุทิศถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อได้ทรงโปรดอนุโมทนาบุญเพิ่มบารมีธรรม เป็นอิทธาวิบากทิพยสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารลบของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งขอทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลด้วยบุญกุศลนี้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ อดินทระเทพยวาวราังกูลพระบรมวงศานุวงศ์ขอให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตในมหายสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกราปกระหม่อมพระสุนิกรชาวไทยตลอดจิรัติติการเถรน